172รหลับตาทำสมาธิก็คือการสะกดจิตฮิปโนไทป์แท้แฉ้สมาธิปฏิบัติหลับตาเข้าไปในภวังนั้นคือการสะกดจิตฮิปโนไทป์แท้แฉ้ตรงๆนี่เองไม่มีอะไรอื่นเลยนั่งทำสมาธิเองก็สะกดจิตตนเอง ไปให้คนอื่นพูดกล่อมก็ไปให้คนอื่นสะกดจิตแล้วก็ตกอยู่ในอํานาจของผู้สะกดจิตดังนั้นอาจารย์ผู้คุมการนั่งสมาธิจึงคือผู้มีอิทธิพลเหนือจิตของลูกศิษย์สาวกผู้ถูกสะกดนั้นเองโดยไม่เข้าใจไม่รู้ว่าการสะกดจิตฮิปโนไทป์คืออะไร การสะกดจิตฮ no ิปโนไทก็คือการเพ่งทำจิตให้อยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งอย่างแน่วแน่ตั้งมั่นเป็นสมาธิผู้ใดเป็นผู้ควบคุมจิตเช่นตนเองเพ่งจิตตนเองทําสมาธิเองตนเองก็มีอิทธิพลเหนือตนเองถ้าผู้ใดอื่นเป็นผู้ควบคุมจิตเราให้เราทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ ผู้ควบกลุ่มนั้นก็เป็นผู้มีอิทธิพลเหนือจิตเราผู้มีอิทธิพลสามารถจัดการสั่งการกับจิตที่สะกดไว้ได้ลทัทธิสะกดจิตนี้ไม่ใช่มีแค่แลทัทธิเดินๆอื่นๆในโลกเมื่อแต่ชาวพุทธเองก็ขบถต่อพระพุทธเจ้าที่ไปหลงรับเอาวิธีสะกดจิตหลับตาปฏิบัติรมสมาธิหรือได้แต่ตรึกนึกคิด หรือเอาแต่คนคิดขบคิดเท่านั้นซึ่งอยู่แต่ในผวังปฏิบัติโดยไม่มีกายที่เกิดจากธรรมะสองเวธรร ม, มาคือรูปกับนามสัมผัสกันอยู่เป็นปัจจุบันนั้นนนในการปฏิบัติศึกษาเรียนรู้สังขารทั้งหลายตามแบบพุทธแต่อย่างใด